เทศอบรมพระวันที่เกมิถุนายนสอง1หยีสิบอ็ดดีสำหรับพระเทศงานของพระคือกรรมฐานห้าการกำหนดลมสูงต่ำไม่สำคัญสำคัญที่สติไม่ลดละลมหายใจเหมือนชนกติดหลังปลาเทศเร่งเข้มข้นตอนปลายอัดฟังเฉพาะพระเท่านั้น นนในอันตรายของคระโลกชาวพุท่นับสตว่ยใจเสมอนอกจากมีของปองสิงผีสิง่งห่าภาพจินตการภาพจอมด้วยความประพฤติจิน่ันหลับสมมติในการบวชแต่ก็มาปองในการประพฤติปฏิบัติอ๋อเป็นเหตุให้ขาดสต่พาความเครื่อประกงสัย ใ, ให้ยิจนาและอาใจต่อผู้ดเห็นได้ยิน ทิฏฐิยาทีิฏะยิยาของพระเหล่านี้เรียกว่าพร้อมพร้อมตามความประพฤติไม่ตรงประทำหลักธรรมหลักพินัยซึ่งเป็นของจริงอันเป็นสิ่งที่จะทำเพื่ของพระให้แนบกันกหรือแนบแ น, บน่นลงแต่โดยลำหรักอันเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติกรรมฐานศีลปภาวนาเป็นจริงศีลของจำเป็นของพระแท้ เรียกว่าเป็นซีริส์จิตใจงานนี้เป็นงานของพระเหมือนกับงานนักคารวะวี่เกี่ยวกับเรื่องการทำมาหาอะไรหาเรื่องจิตเป็นงานจําเป็นของเขาตลอดวันตายเพราะถ้าการมีความต้องต้องการตลอดเวลาไม่ทํางานไม่ได้ ม, มีอะไรก็อยู่จะกินกะตายทั้งหมดคนเราเพราะฉะนั้นงานจึงเป็นของจําเป็นไปตามร่างกายที่มีความบกพรองต้องการอยตลอดเวลาในสิ่งเยายวยาทั้งหลายที่เรียกว่าปัจจัยสี่ที่เรื่องมนหุนอาการัรนี้เป็นไป งานของพระปกิณ์งานจะเดินเมตตาพาวนาเป็นงานจําเป็นตลอดชีวิตของพระจากการดึงางานของตนเลือดไหลไป ย, ยุ่งในงานที่ไม่ใช่งานหรือว่าหาเก่ายุ่มไม่พันมตลอดเปล่าเปิดที่พันไม่ยอมเกา่าก็ไม่หายคันธรรมิตาจารย์ทรงส อ, งสอนไม่อย่างชัดเจนบ่งบอกชัดตั้งแต่ วันเดิมเป็นประชากรบอกงานให้เลยเจสซาดูมานะค่ า, าดันการดันการแต่โจแต่จโจดันการนค่าดูมาเจสซาเอารวมประยิวมคือย้านหน้าย้านหลังเพื่อการควบคุมให้ลเอียดแ อ, อ้วแห่งการพิจารณาเจสซาเป็นเช่นไรผมก็มิยมชม ชอบกันวนะ่าเป็นของสวยของงามทางความสมมติของนิยมมันเป็ น, ป น, ปนตามความสมมติของโลกที่เกินไปเพราะความสั่งสมวิเดชฐานาอสะวรรค้ำชอบสนี้ด้วยกันแต่พระพุทธเจ้าทรงกับกละปัติหวัดตรงข้างในที่นาเ น, นี้เป็นของไม่สวยไม่งามที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่สศกปรกเกิดในที่สศกปรก เป็นอยู่ในความตปรปกโปรกตลอดเวลาต้องช่กต้องล้างนม่เชาไม่ล้างเลยนะโปรกโปรกขนก็เหมือนกันสิ่งเหล่นี้นตกลงไปในถ้วยในการอาหารยังยขยะขยะไม่อยากรับทานถ้าเป็นของสวยงานอยู่กินดังที่โลกนิยมเขยา่าเดือดทันไห ม, หไมกิอนอาหารนี้ไม่อยากรับทาน ยังไม่ทราบอยีกหรือมันจะกระตุกร น, นี้จะสสันต่ญญางดเป็นงดีถ้าเป็นของดีแล้วตัวกับปลายที่ตึนันมันตัวมีเรื่องามอาหารก่อนม่ต้องลังเกียจเห็นไหมรังเกียจด้วยกันทํางนัะนธรมะนีเป็นอย่างนั้นพระพุาทธจาตรงสอนให้ยูลมหนาวเจ้าลงมาวมีลักษณะคล้นนายคลึนกันนะที่เกิดที่อยู่ก็เหมือนกัน เป็นอะไรที่ว่าโยมาเ น, น, นี่อางๆไมเหมือนผมที่อยู่กันเป็นกลุ่มนบนที่สเป็นต้องขับที่เกอเเล็บดูดีนที่เก็เบสิงโส โ, รป โ, ปรโครกโโคกได้อีกนอกจากฐานสถานที่เกิดที่ดี ตลทั้ง <imir> ตัวของเล็บเองก็เป็นของปกะกอบต้องแกะต้องตัดต้องฆาต้องล้างเราะของประกอบก็ติดแฝงอยนี้นตายเล็บนี้ได้อีกเล็บยาวยาแล้วนั่นรางของความประกต้องตัดออกโดยการล้างของของประกที่ติดอยู่ในตายเล็บนีนออกด้แต่นั่่างนีบาก โลกของนิยมกันเล็บเะว่เล็บยาวยิ่งขางเล็บหมานั้นที่จะแปลว่าตลาดไงตักของตกก็ตก ถ, ถึงตายก็มีเลยเล็บนั้นมันมีชื่อโรคยในนั้นมันไม่นิยมออกว่ามันยาวแล้วมันยาวจะทาสีสีฉ่ำ น, นั้นจะดตาจะดใจ เพ่อนพิเนั้นตื่นนะฮะปกติมันก็ตื่นอยู่แล้วคือมันจะนอนมือไเรามันพักผ่อนไม่หน่อยเพนั้นพิรประเทศหนึ่งพักผ่อนประเทศนึงก็ออกเที่ยวเพ็นท่าว่างิเรนนิายประเทคือปรุงเรื่องนั้นเรื่อง น, น, นี้มันเป็นท่านตลอเวลาทันตาฟันแล้วพี่นาพี่ มันเปา่ามันสาดที่ไหนมันสุก็ปกตรองเช้าต้องล้างทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวีทั้งวันก็ยังต้องเช้าต้องล้างอีนวันสองหงสามหงส์คำว่าฟันกับพิกระดูกนั่นเองพิษอะไรกระกดูกมันเป็นลักษณะแบนี้เขาเรียกว่าฟันเกิดที่อยู่มันก็โประโป ร, ป ร, รกที่จะนานเห็นไัม เพานัความทุกข์นยังมีอยู่กับฟันที่เปนปวดฟันเป็นต้นลความทุกข์มากนะยังที่นายเห็นความจิงเข้ามาต้นที่นาลงการตาหนิดกั็นน้ำะดีต่อไปมันก็ลงถึงความจริงนะหมทางตันความันเป็นซี่ที่นก็หลุดมัไปตกใส่อาหารนี่ใครตะอยากลับทางรหว่ามันเป็นของสะอาดของสยงาม น่าดูน่าชมแล้วอาหารที่ถูกสิ่ง น, นี้ก่ อ, องไปถ้าเข้าแล้วเป็นน้ำหน้ารนะับทานแล้วนะกหนึ่งก็เห็นได้อย่างชัดๆแตดโจยีกหนังจะของสำคัญคือบางๆอยู่ข้างนอกไม่ได้หนาเท่ากระดาษเลยคือเครื่องหลอดตา แม้จะอยู่ก็อกงอบางหลังบางบางง อ, อ, อเป็นสรงสว่งลำ ม, มันก็เป็นไปด้วยมูลด้วยขี้ของ ม, มันขี่เนื้อขี้คลายเป็นหมดมันจะต้องเช้าต้องล้างเช็ดถูันหูมันประโยชใหโตคนบ้างบ้าง น, นนะหอบคนต้องคนดินเป็นคนสัตว์ินเป็นสัตว์เพราะอาศัยหนังกระจะไปยันโตหนันงหุ้มรอบมีในร่างกาย จริพอเป็นคนเป็นสัตว์ได้ถ้าหลบหนังนี่ออกเสียแล้วเป็นไงจะดูกันได้ไหมนีม่แต่แรงวันก็ะจะบินตามพึ่งดีดดีดไ ม, ม, ม, ม, มีแรงกับแรงกับไม่เพรองเห็นว่าเข้าทีแล้วอาหารล่างเกิดแล้วมีเพ่อะหนังก็ตงปกปิดไว้หนังเป็นผู้ก้านทานที่รักษ่ายแย่ในกาพศามะเร็งวันแล้วน่ามา แยกเราไปเปนอาหารว่างทั rồi, nào, nào, ้งหมดมันก็บ้งๆเท่านั้นที่นอนหนาเขาขี้มาเข้าไปท้างในยังไงตึ้เยิ้มไปดูโครงหยดน้ําหน่าน้ําหนองเต็มไปหมยิ่งพี่เข้าไปข้างในอะไรก็ยิงของเป็นของปูดูไม่ได้เลยถ้าต่างคนต่างไม่มีหนังเดินมาหากันดูได้พี่นาด้วยมันเยิ้มไปด้วยอะไรมันจะของผักผักผลทั้งมวลอยู่ข้างใน เยอะลมา ก, ก็ต้องของพระปกติงานปัญหาของสืปะปะง่อม ง, งานเยอะลงมาไม่ได้อ่นน า, อานด้วยการพิจารณาด้วยปัญญาที่หนาพอถึงตะโจแล้วทั้งกระยุกให้พอเหมาะกรรงานของผู้เริ่มบวชเริ่มปฏิบัติให้สมาฐานให้งานอันเป็นหลักสําคัญบุญงานฐานะนั่นคือหลักฐานอันสําคัญกรรมะกับพลองงานมันเป็นหลักสําคัญ ประจามชีวิตของข้าแล้วพิจารณาด้านหน้าด้านหลังเหมืนเขาคราบลายจนกระทั่งมูลข้ามมูลไถมันแหลกละเอียดมันก็ควรแต่การปักดำนี่ควรแต่การวางผลต่างๆทางละเอียดละเอียดมันก็ไม่ดีอันนี้เขาพิจารณามันแหละเอียดมันซึ่งมันไปซึ่งมันไปความซึ่งลงไปนั่นแหละคือผลปรินาเท่าไหร่ยิ่งเึ่น หลังจังก็ซึงปฏิปูลโข้ก็สิ้งทุกครั้งนาตามันก็ซึมหนังเป็นประโยคใหญ่โตคนจะมาหลงหนังกันพิจาาพิกข้างในออกมาข้า ง, างนอกนี่นาดูไหมมัน็ดูเข้าไปอนลืมกันไว้ได้สื่อโดยเองนนเนื้อหนังเป็นเครื่องฉาบทาน่าก็ทำให้ตาผ้าตาตา มอไม่เห็นคิดเห็นแดงมองไม่เห็นความกลิ่นน่าี่เยสปันถามาก็ขึ้น ถ, ถลกนั่งแล้วมันก็ขึ้นแรไงแรที่เลสกันหากายไปยืนดีจับก็เป็นอย่างนั้นคนก็เป็นอย่างนี้นยิ้มก็เป็นอย่างนั้นช้าก็เป็นอย่างเดียวกันไม่ว่าเด็กเมื่อผู้ใหญ่เ ด, ดิมนมา ก, กันนีเป็นใจเนื่อเยิมอไปเรื่อยบุคลิสิทธห์น้ำหน่อนางมันดูกันได้นี้พบกันได้อย่างนี้นัน่ง ที่น้ำผมจะชันเองไม่ผมปัญญาท่านมอบ ง, งานให้ย่อยๆไว้ก่อนเรไปตัง้งขนการฐานที่ทสองก่อนงานหากกินนี้กินใดกินหนึ่งก็ตามซึ่งถูกกับเจดิวิสัยแปดของการพิจารณาเราพอพิจารณานั้นลงไปแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งถึงกันหมดตลอดอาการฐานที่สองไม่มีสิ่งใดมิรับต่อสติปัญญาก็ได้เลย เป็นงานสําคัญงานนี้แหละเป็นงานของพระเป็นกิจธุระธุระอันจําเป็นของพระแท้งานห้าชิ้นชิ้นดใดก็ตัดที่เป็นงานให้ทํางานอันนี้เดินก็ให้เดินทํางานนี้นั่งค็ให้ทั้งทำงานี้ยืนนอนเล่นตลับให้ทางานอันนี้อย่าเสือใยไปที่อื่นที่ใดซึ่งเป็นการพลากจากงาน เด้วยความใจลอยเด้วอความประมาทเพือปุตตมะตังต้งหน้าทำวันเราไม่หวังอาผลประโยชน์จากงานอื่นใดนอกจากผลประโยชน์จากงานที่เราทำํำนี้เท่านั้นต้องหรักพร ะ, ะเป็นนักบวชการพิจนนารณาในอาการในประสามมันมักจะมีหลอกไปเรื่อยๆเรรพราะที่เดมันแทรกไปตลอดวเวลาเหมือนอย่างที่เขาว่าขอขอคอใส่แกล้ มันแทรกทุกแห่งทุกหนแทรกทุกอย่างเวลาพยายามอ่ลอดสายมันมีาการลกันละความพอมไมมีใครเหนืออำนาจมืนีเียวยิ่งคัญไม่มีใครเหนืออนาจเหมือนได ม, ม, มันแทรกทุกแหทุกการทุกเวลาแม้แต่ขนะดําสมาธิตอนหนามันก็แทรกอยู่เลยพอจะต่อเวลาเผลอังได้เผอมันก็หลอกให้เผอด้วยต่อพอเผลอเนี่นมันก็ต่อด้วย เาจะว่ากิเลสมันโง่เมื่หร่กิเลสมันสลัดเหนือโลกมันถึงได้ครองโลกวัตจักรมันเป็นงานทางวัตจักรสังฆะจดจมีสามภพนี่มีมิเดชครอาอำนาจทั้งหมดเวลาเราพิจารณาอะไรี่เลสมันจะเข้าแค่กเส้นกำหนดลงเนี่ยเส้นอนาปานะติเป็นต้นกำหนดลงไว้ที่ใดก็คเห็นว่าลง สัมผัสมากกว่าเพื่อนเดินชัดกว่าเพื่อนเช่อนร่างจะหมุกเป็นต้นเรากําหนดอยู่ที่ตรงนั้นมันต้องตามลมเข้าไปไม่นต้องตามลมออกไปให้ถ้าเป็นคนก็ให้ยืนอยู่ที่ประตูคนเข้ า, ขาก็รู้คนออกก็รู้แต่ไม่ตามเข้าไปไม่ตามออกไปให้กําหนดรู้อยู่ด้วยความไม่เผลอิจลมนั้นแหเป็นเครื่องผูกมัด ให้กระล่มกระแสเข้ามารวมตัวเมื่อกิจระร่มกระแสเข้ามารวมตัวแล้วมันก็เด่นทัดขึ้นมาทางความรู้สึกความรู้สึกนั้นเด่นเด่นอยู่ที่จุดนี้ตรงนี้หนักแต่นั่นก็มีความสว่างสวยมีความโปร่งใสเด่นรวงเพราะกระแสกิจรวมตัวเข้ามาแล้วด้วยอำนาจแห่งหน า, งาปาติจคือลง ซึ่งเรานำมาเป mm hmm. ็นเครื่องยึดของใจโดยมีสติเป็นผู้ควบคุมงานที่นี้ตอนที่ว่าให้ระวังกิเหล็กจะแสบกคือว่าถ้ากําหนดเป็นนานๆเดี๋ยวมันจะเกิดความต้องการขึ้นมาว่านี่แต่ก่อนเรากําหนดลมที่ดั้งจมูกนี้เป็นที่เหมาะสมแต่ค่านานค่านานเข้าประหนึ่งว่าด้านจมูกนี่จะสูงไป ได้ต่าําลงไปเมื่อกีเหมือนกับไปอยู่สะดือนองบางทีเหมือนกับพ้นร่างการยมันไปอยู่ที่ที่หนึ่งที่ใด น, นี่ก็มาตั้งใหม่เนี่ยโน่นหนูตั้งลมสูงไปให้ตั้งลมต่ําไปตั้งใหม่ตั้งให ม, หม่อันนี้ใช้ไหมละ่ะขอให้จับปั๊บตรงที่ลมเมื่อลมปรากฏอยู่ก็อยู่สูงดูต่ําเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสูงความต่ําแต่เราปฏิบัติเพื่อให้รู้เรื่องของลม ด้วยความมีสติจิตใจจดจ่อกับลมนี่เท่านั้นมันจะสูงจะต่ำไปไหนก็แสดงว่าเราทํางานแต่โดยจังหัะอยู่ต่ําแล้วก็ทํางานคหนดณรู้อยู่อยู่สูงลงว่าสูงเราําหนดณรู้อยู่กับลงมันไปไหนก็มันตักนั่นเหมือนยาหรือเหมือนชนะติดหลังตามันจะไปไหนก็มันไปชนะมันติดอยู่หลังมันแล้ว เหลีย่ยมคนหมดกําลังเองลากขึ้นมาตอนหนึ่งเชื่ อ, อกติดชนะอยู่ด้ว ย, อ, ยอันนี้เหมือนกันจิดเหมือนกับชนะไติดนั้นถ้าตีก็เหมือนกับเชื่อกมัดกันไว้นั่นกลับลงนี่เป็นอาการอื่นก็เหมือนกันนะัเรายกลมขึ้นมาพอเป็นเอกเทศเพื่อให้ทราบถึงเรื่องการพิจารณาในอาการไหนก็ตาม มันจะมีกี่เหลือมาหลอมาสูงไปสั่งไปนอกไปในไปมีเราเคยเป็นนั่นผมเคยเป็นแล้วแล้มาตั้งตั้งมาแ ล, ล, ล้วยังไม่เรื่องนี้ยังไงกันถ้าหลังก็ปากเลยอ้ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันจะลงไปใต้พื้นพญานาคนึงเราก็จะตามมันไปนู่นขอแต่ใจว่เรื่องที่เราพิจนารณาเนี่ยปรากฏทัดนอยู่กล้วปิดเถอะยุ่มจะเหัวหอหเดินฟ้าขึ้นไปนู่นเราก็จะพิจารณาอยู่บนฟ้า ไม่ไม่ยอมปล่อยอาการที่เราได้จับไปแล้วได้เห็นอยู่ได้รู้อยู่ในขณะที่พิจารณาอย่แล้วมันจะสูงหรต่ํามันรู้กันอยู่นี่ไปไหนมันข้าเคลื่อนไปไหนเราไม่ไดภาวนาเอาสูงเอาต่า่างงั้นพอแก้นั่งนั่ง ก, ก็ได้ความห า, า, ายสงสัจับกุบตรงนั้นไม่ต่อยเป็นยังไงแต่กําหนดมันไม่ถอยก็ต้องพื้นิตมันกระจายกระจายรู้ชัดเข้าชาัดเข้าชาัดเข้ า, า, ข า, ขาเกิดความอัศจรรร่างกายเห็นเห็นไม่ชัดเจนจริง เป็เนื้อนังเองก็ดุคาว่าเห็นชัดเจนนั้นไม่ในหมายถึงว่าจะต้องไปนับเช้นนับเบ้นนับอะไรคือมันประจัดร่างกายส่วนต่างประจัดภายในใจหยุดเดินเกิดความทราบชื่นในขณะที่เห็นร่างกายในวงปัจจุบันผิดกันกับความหมายเห็นเห็นด้วยความหมายเป็นยังไงเห็นด้วยความจริงเป็นยังไงที่กล่าวนี้คือเห็นด้วยความจริงที่แรกก็เป็นความหมายไว้ก่อนตั้งหมายเอาไว้ กำหนดเนื้อกำหน ด, นดเนื้อตรงไหนกำหนดตรงนั่งก็ก่อนเป็นความหมายเอาไว้เป็นทัานยาก็ถูกพอจากมันแ ม, ม่นยำเข้าไปโดยลำดับลาดับไม่ยอมปล่อยเหมือนชนะศิลป์หลังตาแล้วมันก็ไปมันไปนั้นไปนั้นพิจารณาจนกระทั่งมันกระจายแล้หมดตอนนั้นพิจตอนพิจารณาร่างกายนั้นมันไม่ทั้งทั้งที่ร่างกายเราก็มีอยู่และทั้งทั้งที่เราก็พิจารณาร่างกายอาการอาการหนึ่งของร่างกายแต่ขณะนั้นร่างกายมันตกผลว่าหายหลืมเนื้อลืมตัว แต่จิตไม่ลืมอาการที่กําหนดที่พิจารณาอยู่นั้นไม่ยอมปล่อยนี่ถูกต้องให้จำเมาไว้นะปฏิบัติเข้ามาอ ย, ย่าไปกําหนดเรื่อยกำหนดเล่าอย่างนั้นไม่ถูกนะเหมือนกับปลูกต้นไม้พอมันจะขึ้นแล้วก็ย้ายพอจะขึ้นย้ายเลยไม่มีทางขึ้นนอกจามีทางตายหลังเดียวการพิจารณาอย่างนี้เป็นความสงสัยลังเลยหาหลักฐานไม่ได้ไจับจิตเป็นว้ กำนลงไป่อเอาขัน้นตอนทําันู้อยู่ลงลมละเอียดลงไปละเอียดลงไปก็ให้รู้ว่าละเอียดลงไปจนกระทั่งลมมันหมดในความรู้สึกมันมีได้ผู้ปฏิบัติกําหนดลมเวลามันอยากก็รู้ไม่ยอมเผอเรือเอเองง่อยเรืเ่อยไปที่ลมคั้ละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปในความรู้สึกละเอียดเข้าไปจริงๆนะจนหานยเงียบไปเลยมีอันหนึ่งที่เรียกจะมาหลอกตรงนี้ พอลมหายเนียบไปเพราะเราเคยมีลมอยู่เป็นปกติยิ่งขนาดนั้นกําลังพิจารณาลมอยู่ด้วยลมเบาไ ป, ไปเราไปพอเราเบาไปละเอยียดลงเท่าไรนั้นก็เห็นชัดๆที่นี่ลมหมดไปในความรู้สึกมันตอนมันจะไม่ชับนี่ตรงนี้แหละตรงที่เรียกว่าหลอกเจาของะาอ้าวกลัลมหมดไปแล้วนี่มันมันก็ไม่ทายหรือนั่งที่ตกใจนะ ต, ตกใจนี่เหมือนกับว่าไปขย่าหยิบ ด, ดวงที่กําลังละเอียดเพราะอํอนานาจแห่งลม ละเอียดและลมดับไปนั้นให้ฟื้น ต, ตัวกลับมาและเลี้ยงกล้ามิตปกติแล้วลมก็เลยมีกลากตขึ้นมาเสียการพิจารณาก็ได้เพียงแค่นั้นพิจารณาทีไรถ้าตัดปัญหานไม่ได้มันก็ไปเพียงแค่นั้นเาะนั้นไม่เลยจากนั้นไปเลยเพราะฉะนั้นการชพื่อตัดปัญหาเรื่อ ง, องครอบครัวที่รู้ที่ทางทางเดินของคนจึงตัดขีดใจลงให้มันเหมาะสมกับ ถึงความพัจจะจะหายจะดับไปก็ให้ดับไปเถิดขึ้นคือว่าจิตยังคลองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นลมดับไปก็ยังรู้ว่าลมดับไปจิตไม่ได้ดับไปด้วยนี่จิตยังรู้ตัวอยู่นี่ยังคลองร่างอยู่นี่จะตายยังไงเอาลมจะดับอะไรไม่ทนก็ให้ดับไปเมื่อจิตคลองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นมันก็พุ่งคือมันตัดปัญหาได้เลยความเข้าใจมันนี้ก็หมดภาพจิตมันก็พุ่งสูงความละเอียดเต็มที่หนัก พินี่เป็นความกินสาหรับผู้พิจารมาเป็นอย่นี้ผมก็เคยพิจารณาอยู่แล้วประมาณสองปีมันแค่มาสอนหมู่เพื่อนที่ถืะนี่พิจารณาเริ่มแรกกับพุดโถเป็นหลักต้นซะก่อนอันต่อมามันปกาศารมันไปเองลมอะไรเหล่านี้มันไปหมดนั่นแหละกำหนดจนถึงเหตุถึงผลของมันกำหนดลมก็ดีเอาจนกระทั่งมันละเอียดจนกระทั่งมันหมดไปเลยลมเอาหมดก็หมดมันก็ตัดสินใจกันอย่างนี้มันก็พุ่งเลย จะมาทั้งกายหายเงียบอีกเหมือนกันลมหายไปแล้วกายหายอีกเลยสิ่งที่มาหายก็คือความรู้เหลือแต่จิตเท่านั้นแต่เราจะว่าเหลือแต่จิตจริงๆเด่นๆงั้นไม่ได้มีอะไรจะเที่ยงไปเทียงไม่ได้เหลือแต่จิตคือหนึ่งเท่านั้นมันมีสองไม่เดียวในครึ่งเลยในขณะนั้นเงียบจริงๆขาดไปหมดจหตุตะาขาดนะความขาดตากันปณิตามไม่ได้นะักผิดเราฟังในหลักปฏิบัติ เท่กับเท่ทางท่าปฏิบัติการือปฏิบัติหนึ่งผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนึ่งเป็นท่าปฏิบัติทางนั้นผู้ฟังก็ให้ฟังใป็นท่าปฏิบัติอย่าไปคาเป็นหมายในขณะที่ทําความเพียรหรือเจริญอนาตายังขีดเป็นต้นเลยนะอย่ไปคาดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นอย่างไรให้เราเป็นคนรู้เองเห็นเองอย่าไปปุ่มไปแต่งเป็นทั้นยาลงขึ้นมาจะเป็นเส้นหลอกตัวเองหาผลประโไม่ได้ตลอดไปต้องให้เป็นผลของเราเองถ้าเกิดขึ้นมาเหมือนการกระท่านหรือไม่เหมือนกัน กับพวคนอื่นที่เป็นก็ให้ทรามว่าเป็นของเราไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครเป็นเพีอย่างนี้กต่สมบัติของเราเป็นอยนี้อ่าเรามีห้าใช้ห้าเรามีสิบใช้สิบเราไม่เอามันมาหาเศรษฐีมาท่านเราใช้สมบัติที่มีที่เกิดมีอยู่สำหรับเราอันนี้คือมันการผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรามากน้อยก็ให้ถือเป็นสมบัติของจ้าของยาวเราเอาไปวัดไปเทียบไปเทียบกับของคนอื่นจะเป็นการเสียและทำลาย สมัติขงตนเสียไปโดยหาเหตุผลไม่ได้และไม่เกิดประโยอะไรเลยอันนี้เป็นของขั้นมากเวลาพิจารณาเพื่อความสงบก็ให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาเพื่อความสงบมีหน้าที่อันเดียวจดจ่ออยู่อย่างเดียวเพื่อความสงบแล้วไม่ต้องคิดถ้าต้องการความสงบไม่ต้องคิดนอกจากเป็นกรณีพิเศษดังที่กล่าวไว้ว่าไม่ในปัญญาเวชมาพีนนั้นเป็นกรณีพิเศษโยบายแบบแบบสมบัติ ที่เป็นไปโดยโปกตินั้นเมื่อต้องการความสงบนะพิจารณาแบบจะเป็นไปเพราะความสงบที่เรียกว่าสมาถะถึงการค้นทางด้านปัญญาเราให้ค้นพิจารณาตั้งหน้าตั้งตาทำกีจกําหนดอันไหนลองดูอันนั้นแยกอะไรให้เห็นชัดเจนเนด้วยการแยกการแยกให้จิตทำนาทีอยู่แบบนั้นอย่าสงไปที่ไหนจะไปข้างไปหมายดูกันอยู่ตรงนั้นให้เห็นกันอยู่นั้นนี่คือว่าตั้งหน้าตัางตาพิจารณานโดยถูกทาง ไม่ต้องไปค่าดเป็นหมายผลจะเกิดขึ้นจากปัญญาว่าแย่ที่เด็ดประเภทศใด บ, บ้างไม่ต้องกระคากเสียเวลาความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์นอกจากมาทําลายงานของเราให้เสียไปเท่านัน้นนี่เด็พิจารณามาแล้วถึงได้มาพูดให้หมู่พุ่นตังไม่ได้พูดด้วยความต้นเดาพิจารณามาแล้วทุกอยาก่างในบรรดาที่นํามาพยายให้หมู่พุ่นตังจึงเป็นที่แน่ใจผู้แสดงเองก็แน่ใจว่าไม่ผิดเคยเป็นมาอย่างนี้แล้วผิดถูกประการใเจาของก็เป็นมาแล้วเห็น แล้วก็เป็นถูกส่วนผิดก็เป็นถูกอันหนึ่งเพื่อจอธิบายหรือพูดให้หมู่เพื่อนฟังว่าอย่าทําอย่างนั้นมันผิดถึงที่ถูกก็เป็นคุยอันนให้ทําอย่างนี้ถูกได้เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนี้เคยรู้มาเห็นมาแล้วอย่างนี้มันชัดเจนอาฐานทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งได้ที่เกิดขึ้นจากภาพเาปฏิบททัติเราเองพระาะฉนั้นการท่ากันหมายจริงไม่ใช่เรื่อง ที่จะให้เกิดผลเกิดประโยชน์ไก่อย่างไ้นอกจากมารบพวนงานของเราหรือทํางานของเราให้เสียไปทําหน้าที่ตามเรื่องของตัวเองสติปัญญาไม่ได้งงกิดขวางเวลานะให้พาันเข้าใจถึงเวลาเป็นต่อเป็นมุมนั้นเป็นสํามันมากสติปัญญาจะดีดขึ้นมาเองเป็นอัตติยปนูนาโผหาที่พึ่งใครไม่ได้แล้วเราเป็นเป็นเราคนเดียวตอนนี้ตาเราคนเดียวมีแก้ี่เรนจะให้การมาแก้ให้เรา เราต้องแก้ดมันติดที่ตรงไหนเวลานี้หิุดมันแลหมุนกิ้วกิ้วไปเ<ม>อาทุกเวทนาก็เกิดเกิดเท่าไยิ่มหมุนกันถ้าเราเราจะฝังให้ลูกแจ้งเรจะทำจสิ่งต้องเป็นความหมุนกิ้วเข้าไปไม่ฝ่ายหลังแล้วมันก็ลู้ขึ้นมาลู้ขึ้นมาลูข้ลขึ้นมาด้วยความจริงนี้มันชัดเจนแจ้งแล้วไม่มีวันหลงลืมด้วยนะการรู้ด้วยความจริงหลวงลืมได้ไงอันนี้ก็อยาา่างเขาหน้าพระเจ้าเขาพยายามวิจิตรปัญหากันพระอาจรท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเือะรู้ในสิ่งทุกคนรรู้ ไม่รู้ในสิ่งึ้นไม่อาจรู้แล้วท่านจําได้หมดเลทําท่านจาอะไรได้หมดเลยท่านมีวันลงหรือท่านมีหลงหรือไหมท่านก็มีหลงหรือเหมือนกันกับคนทั่วไปสิ่งที่ไปลืมมีไหมมีนะคืออะไรคืออริยสัจท่านไม่หลงไม่ลืมจะหลงลืมไงอริยสัจกิจมันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาทุก็มีอยู่ในร่างกายแม้ทุกข์มีในภายในใจทุกข์ก็มีอยู่ในร่างกายเห็นอย่างทัดเจน สมุทัยของร่างกายคืออะไรเดินมากก็เป็นสมุทัยให้ร่างกาย ห, หน่วยนั่งมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกาย ห, หนวยนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ ร, าาห ร, ร่างกายหนึ่หน่วยเป็นทุกนอนมากก็เป็นสมุทัยหนึ่งให้ร่างกายนี่ให้เกิดให้เป็นทุกแม้สมุทัยในจิตของท่านได้มีสมุทัยส่วนร่างกายคือสาเหตุที่เกิดความทุกข์เห็นกินของแสลงอะไรบินท้าอากาศไม่เหมาะสมกันต่อร่างกายกระทบบินท่าอากาศ ก็เป็นสาเหตุที่ได้เกิดทุกข์ขึ้นมานี่แต่ท่านไม่เรียกสมุทรไทยเพราะไม่ใช่ที่เลยแต่เราพูดอันนี้พูดออกมาเทียบเท่าเฉยว่าสมุทรไทยของธาตขันธ์ว่านั่นว่าผิกขุนคือสาเหตุพูด อ, อย่างไงแปลมาว่าสามุทรไทยเป็สาเหตุแดนเกิดขึ้นอย่างทุกมันจะเกิดทุกข์ในร่างกายได้อย่างไเห็นเป็นหวัดเป็นไอเจ็บท้าปวดหวัวต้องมีสิ่งแหลบกลิ่นมากระทบกระเทือนอันเป็นสาเหตุที่เรียกว่าสมุทรยของร่างกายตม้มีเหมือนกันแต่ไม่เป็นสมุทรไทยแบบกิเลส แล้วทานของสวยงามนี่รับทานของแสวยงาแต่โลกไปนี่โลกกาเริบเอ๊ะวันนี้โลกกำเริบเพราะทานนั้นโอมันรู้แล้วนั่นแหละเป็นสมุัยเป็นปัจจุบันโกรธมากกับทุกข์รู้อะอยู่แล้วมันมีทุกข์อะไรอยู่แล้วเนี่ยจะไปทําั่งสิหรือภายในใจท่าไม่มีวันลืมว่างั้นเลยพระนักบุญนี่เราติไม่ลืมคือรู้คําจริงเป็นที่แล้วไม่มีวันลืมอันนี้เป็นความจริงแท้หน่งนั้นก็ลืมด้ จำนั่งจำนี่สื่อจเสียงจําำําหนักทํานาทางถามบทนั่งนี่มันลืมไม่ได้เหมือนกันเนี่ยบคนโดยทั่วไปสัญาณนิจาการสัญญาว่าสนาวิมุตติเนี่ยมันมีบอกเรื่องหลงลืมก็มันนิจจ์ด้วยความตาเรื่อนั้นขันมันจะอยู่ในโลกขไหนขันประนลาดเขาโลกเขาเป็นแบบเดียวกันจึงต้องดําเนินไปทางสายเดียวกันเียนจังตรั้งนาาครอบถึงตลอดเวลาเหมือนกันหมดวันที่เป็นของท่านเองก็คือความบริสุทธิ์ทั้งสิ้ อ น, นั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงจึงยกวอากุปะธรรมคงเส่นคงว่าทุกเขเวทนาไม่มีในจิตของพระรารีตั้งแต่ที่เรียนดับลงไปแล้วทุกไม่มีท่านไม่มีเขวทนาประมังสุขขงังที่ว่านีนา้ภาณังประมังสุขขงังอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติสุขคตจิตที่บริสุทธิ์นั้นต่างหากไม่ใช่ปุพเเวทนาสปุพเพเวท น, นามีเกิดมีดับอืมีความบินดีงีรายเลย สิ่งต่างๆก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจมีเรียกว่าสุขเวทนาทุกเวทนาภายในใจแต่เมื่อใจตักต้นตอคือสาเหตๆๆุอทางสัมพนธ์ได้แฉมิชาหมดแล้วตั้งแต่ขนาดนั้นเหรอที่ไปสุดนั่นจะไม่มีเวทนาเลยไม่มีเหลือเวทนางในร่างกาย่เป็นเรื่องไม้เหมือนกับโลกทั่วไปไม่ได้เหนือโลกนี่ฮ อันนี้จางรูปางอั น, นจางเวลานิจาสัญญาจางสร้งขาลาราจาวิญญาณจังเหมือนกันหมดแต่จิตที่บริสุทธ์เราอยู่จิตจตั้งอันนี้จังไม่หายเป็อาการของนนจิตมันมีอันจังสุขภาพตาหนี่อาการของจิตเส้นแสดงมาเป็นขันธ์รูปอะความตูมความแตกสังขารขันธ์วิญญาณขันธ์มันก็เป็นขันธ์ห้าเสี้ยนความตูงความแตกมันไม่ใช่แต่มันอาศัยจิตเกิดขึ้นก็เรียกว่าอาการของจิต แต่กินบริสุทธิ์้ะมันก็เป็นกินเลยถ้ากินไม่บริสุทธิ์เหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือของกิเลสที่ทํางานอยู่ภายในจิตแล้วเขาไปเผาลงจิตนั้นเป็นเมื่อเป็ น, ปนตัวผลขึ้นมาแล้วทุกข์มากเพราะเขาลงจิตเขาหดือดร้อนรุนแรงรับความทุกข์สั่งสายภายในจิตใจจนหาสติจัจำไม่ได้เพราะทุกเวทนามากเขาครอบาำจิตจนไม่มีสติจิตตัวเป็นคนไข้ที่มีสติตั้งต้นทิ้งเนื้อทิ้งตัวโดยอกเตียงก็เหมือวาง มีพระผู้คุยโฆษณาเนี้มันเหนียมนานมากสตินี่จะประคับปรองตัวไม่มีนพระอรหันต์ท่านไม่เป็นอย่างนั้นพอเก้าถึงกันแล้วเรียกว่าอพ้อนพ้นภถยเนี่ยคือเรื่องสมมุติทั้งหมดมันเป็นไถ่พ้นภถยเนี่คือว่าพ้นจากสมมุติแล้วโดยโด้วยที่เชื่ไม่มีอะไรเหลืออยู่กับจิตแม้นี้เรียกว่าปรมาหนูไม่มีเลยกเนเดียวบริสุทธิ์หลีบริสุทธิ์นล้วแบบอยู่ตามแบบธรรมชาติความบริสุทธิ์ทั้งตน ต่างกายจะยังอยู่กับใช้กันไปอยู่กันไปรับผิดชอบกันไปเหมือนจะได้อะไรจากร่างกายมีจะอยู่ไปตั้งกับตั้งกันก็มีส่วนได้อะไรจากร่างกายก็ไม่มีส่วนเสียอะไรจากร่างกายเมื่อมันทนได้ไหวมันจะร่างกาก็ไปตามสภาพของมันที่เป็นในกฉาทุกขังร่ากาซึ่งเป็นสมมุติสมาชาติที่มันจะสมมุติเราให้ชื่อท้าเขาบิดคือวิมุตติก็อยู่การแบบธรรมชาติของมของตนแต่ไม่ใช่อยู่แบบสมมุติท้างหลายเพราะฉะนั้นจึงว่ามิตรานมีอยู่หรือสูญไป อันี้พูดไม่ได้ถ้าพูดมันก็เอาสมมุติเขาไปท้ากกันมีอยู่มีอยู่แบบโลกก็ไม่ถูกศูนย์ไปแบบโลกก็ไม่ถูกมีอยู่แบบนี้ผ่านศูนย์ไปแบบนี้ผ่านหนักถึงถูกอันนี้ถูกที่สุดกับความจริงเพราะโลกให้สมมติก็ต้องในคว่ามีอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีอยู่แบบนั้นมีอยู่แบบนี้ผ่านมีอยู่แบบมีมดุดศูนย์ก็ศูนย์แบบมีมุดไม่ศูนย์แบบอืน่นอย่างโลกสมมติฐานเขาศูนย์กันศูนย์นั้นคือศูนย์ความ ที่พายผลปีกว่าศูนย์มีอยู่ก็มีตั้งโดอยู่เงี้นี๋ก็มีอันนี้ไม่ใช่โดอย่างนั้นเฮานิพานเป็นบ้านเป็นเมืองอย่างนี้นได้ถ้าเป็นบ้านเมืองก็เป็นสมมุติละกี้บ้านเมืองก็เป็นบ้านเมืองแบบนิพานนึงนะเดี๋ยวใครจะไปกล้าตั้งชื่อว่าเป็นบ้านเป็นเมืองถึงารบ้านช่องได้ล่ะเพราะ น, นิพานมันนอกส ม, มบูรณ์ไปแล้วตึกระมันช่องอนี้มันเป็นโลกสมมติทั้งหมดหาพี่น้าลางไป เมื่อรู้แล้วมันจะเข้าใจเีกอย่างหมึ่งไม่ต้องไปถามใครแม้จารยระดาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็เถอะไม่ได้ประมาทพระองค์ท่านหาก็ทูลถามพระองค์ท่านจะรับสั่งว่าอย่างไรก็สั่งว่าอย่างที่เราเข้าใจอยู่แล้วมีนี้แน่เท่านั้นไม่ไปยังไงจะไปทูลถามท่านทำไมของอันเดียวกันรู้อยู่ด้วยการถามกันมีอย่างเหรอเนี่ยของไม่รู้ท่านเลถามของสงสยัยท่านเลถาม นี่ไม่ได้สงสัยนี่รู้อย่างเป็นหัวใจแล้วเป็นธรรมชาติอย่างเดียวของพระพุทธเจ้าบางที่มันกล่าววนะ่านับทิศใอยู่ว่าป่าจะโยู่พระอรหันต์ตั้งแต่พระพุทธเจ้ า, าลงมาจนกระทั่งถึงเท้า อ, องค์สุดท้ายไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยในความบริสุดทั้งหลายที่ท่านอยู่กับท่านองค์นั้นนอกจากอํานาจลักษณะที่ได้สร้างมาซึ่งเป็นปีกยอดหรือเป็นเครื่องประดับนั้นมีเดือล้ำตับสูงต่างกันจึงได้ต้อง ตั้งอาตอกราชภะทรงตังาตา้งหรือคราชให้สาวกทั้งหลายแตกต่างกันผู้ใดที่เด่นในกางไหนมากเขายกนั้นให้ผูน้นั้นเก่งในพระารา่องบุตรเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดเที่ยวชาญมากในด้านปัญญาเขายกพระที่เบุตรี่เป็นผู้มีฉลาดทางปัญญาเนี่ยเขยาบอกคณะของเหมนเดินปั้นมีที่ปฏิหารอมีปฏิหาร น, นี้เขายกให้เพราะเด่นกว่าเพื่อนนอกจากนี้เขก็มีนมี้แต่ไม่องคนี้เบียดกว่า บรรดาวงหลายเขายกให้องค์นี้เป็นเอกาค า, าคือเลิอในทางนี้เสียเนยะอย่างาการแสดงธรรมกนยกพระธรรมคุณมัาอกนรเป็นธรรมกติสเอวท่านเองนหล่านันกเทศเก่งเราเนล่านันกเทศเก่งเหมือนกันแต่มันมีข้อเด่นกว่ากันตรงไหนก็ยกอันนั้นแหละ น, นี่คือตาห น, าน้านรับสนาของท่าน ความบริสุทธ์นั้นเหมือนกันเราพูดนี้ความรู้นี้แหละฟังอยู่นี่นี่แหละที่จะเป็นความบริสุทธิ์ก็คือภูมิเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่อื่นที่ใดว่ามีที่ไนที่อื่นได้นอกจากผู้รู้นี้เท่านั้นจะเป็นมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสก็หุ่มหมอดีในกลิ่นตรงนี้ที่เป็นมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นตัวเพระนั้นเตีน้องให้แก้สงนี้ออกด้วยเครื่องมือประจำสมัยคือมัชฌิมาปฏิปทาที่ทรงแสดงไว้แล้วอย่างถูกต้อง เราจะเห็นความจริงประจากษ์ใจของเราโดยไม่ต้องมีการประสานผู้ใหมาเป็นเจ้าหน้าลักศนบางกุบขี <Leben urs> <ำ>่บ <explicitly> <double> ังคับที่อกั้นกลางหน้าเมืเราเห็นมักปฏิภาณด้วยข้อปฏิบัติดีปฏิปักษ์ที่เรานี้เหกิดถึงแดนความบรนทุกหรือน้องอ้อมึงอ้อน้องอ้ออ้อตรงนี้เหรือตรงนี้หรืออ๋อเป็นอย่างนี้เหรือความไรรทุกอ้อเป็นอย่างนี้เหรอนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นอย่างนี้หรือปัญญาเป็นอย่างนี้หรือ มีมุดเป็นอย่างนี้หรือนี่มันอยู่กับนี่ทั้งหมดหนึ่งมันอยู่ที่อื่นที่ใดเอ้าฟาลงไปทีถ้าเราจะได้ของวิเศษมาฟองหรือเราจะแบบมันจะขี้หามขี้หรือหามขี่โรคขี่โกรธขี่โลงขี่เกียจขี่ค้านอ่อนแองนี่ขี่แยมีนจะขี้เต็มตัวมันพิเศษมไหมล่ะมันวิเศษโลกะนี่พิเศษไปหมดนะมันต้องของวิเศษมาแต่นี่นนี้มันไม่พิเศษที่มันตจะขี้ดิ่งอะ อ่าตั้งระยะธิบาย